ปัญหาข้อที่15อธิบายและตอบปัญหาเรื่องผีผลักตกบันไดหรือกระชากสร้อยหลุดเป็นจริงได้แค่ไหนและจะทำได้เพราะอะไรทำไมทำไม่ได้ทุกครั้งตัวอย่างเรื่องจริงของต่างชาติกับเหตุให้วิญญาณวนเวียนไม่ไปไหนจองอาคาดคอยทำร้ายคนในบ้านกับการเจราจาเหมือนคนปกติจนปล่อยวางได้และจากไปซึ่งแนวทางนี้ ไล่กับเรื่องสมเด็จโตโกรดไม่นางพักขนงเช่นเดียวกันปัญหาข้อที่15หผีผลักตกบันไดในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า168มีกล่าวถึงเรื่องผีผลักคนตกบันไดซึ่งเอสเทลโรเบิร์ตได้กล่าวไว้ว่า อีกเรื่องหนึ่งน่าจะนำมาเล่าก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของมโนธรรมของชายผู้หนึ่งอย่างน่าชมเชยที่ฉันได้คิดถึงเรื่องนี้เสมอและแดนนึกประหลาดใจว่าจะมีใครอีกสักกี่คนที่สามารถจะกระทำได้อย่างที่เขากระทำแล้วเพราะอันที่จริงบุคคลที่เป็นตัวการในเรื่องนี้สามารถจะทาลายหลักฐาน ซึ่งเป็นเครื่องมัดตัวของเขาเองเสียก็ได้ถ้าเขาต้องการจะทำเพราะจะไม่มีใครรู้เรื่องนั้นเลยแม้แต่คนเดียวเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อดิฉันได้รับเชิญให้ไปสอบสวนบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังนั้นผู้ที่อยู่ในบ้านต้องพากันได้รับความแปลกประหลาดใจอย่างยิ่งที่มักจะมีวิญญาณที่ยังวนเวียนสิงอยู่ในบ้านนั้นมารังแกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าการรังแกรหรือการทำร้ายนี้ ก็เป็นแบบเดียวกันตลอดคือบ่อยๆครั้งคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่ใช้บันไดขึ้นไปชั้นบนนั้นจะถูกผลักกลิ้งหลุนๆ ล, ลงบันไดามากันทุกคนเรื่องนี้นอกจากจะเป็นเหตุให้เกิ ด, กดความโกลาหลไปทั่วบ้านแล้วยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอันตรายอยู่ไม่น้อยอีกด้วยเมื่อดิฉันมาถึงบ้านนี้ดิฉันก็ไปหยุดยืนที่เชิงบันไดและหันหน้ามองไปทันใดนั้น ก็เห็นหน้าโอปะ ป, ะ ป, ะปะ้าติกาแก่หนวดกราวรงรังผู้หนึ่งยืนอยู่กึ่งทางบันไดาชายผู้นี้ไม่พูดพร่ำทําเพลงแต่ตะคอกออกมาเลยทีเดียวว่าถ้าเจ้าขึ้นมาที่นี่ข้าจะผลักเจ้าลงไปทันทีดิฉันพูดออกไปว่าดิฉันคิดว่าท่านจะทําไม่ได้แน่ฉันจะขึ้นไปละ่ะและถ้าคุณมีเหตุผลคุณก็ควรจะขึ้นไปด้วยและเราก็จะเจรจากันในเมื่อเราขึ้นไปถึงชั้นบนนู้นแล้ว โอปปาติการชายแก่ผู้นั้นตอบปฏิเสธว่าข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ยอมขึ้นถ้าทางบอกว่าจะเอาเรื่องแน่ดิฉันตอบว่าก็ดีเหมือนกันถ้าต้องการจะเอาเรื่องกันก็ได้ดิฉันพูดออกไปอย่างห้าวหาญเต็มที่และในใจก็คิดเช่นนั้นจริงๆด้วยเพราะมีหลักอยู่ว่าเราะจะแสดงอาการกลัวไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับโอปปาติการที่ร้ายๆหรือที่พยศจะเอาเรื่อง ดิฉันไม่รังรอขึ้นบันไดตรงไปหาเขาทีเดียวเขายืนหยัดแน่ยังไม่ยอมถอยเหมือนกันพอดิฉันเข้ามาใกล้พอที่จะคว้าถึงเขาก็เอื้อมมือออกมาแต่แทนที่จะผลักดิฉันให้ตกบันไดไปดังที่เขาได้กล่าวไว้เขากลับคว้าเอาสร้อยลูกปัดที่ดิฉันสวมใส่ไว้และก็เหวี่ยงมันออกไปทําให้ลูกปัดกระจัดกระจายทั่วห้องผู้ที่เฝ้าดูอยู่ข้างล่าง ถามพร้อมกับร้องอย่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นและถามว่าทำไมส้อคอจึงตกแตกดิฉันตอบว่าไม่เป็นไรให้ความมั่นใจแก่ผู้เฝ้าดูอยู่และบอกว่ารับรองว่าไม่มีอันตรายอย่างใดอย่างแน่นอนว่าแล้วดิฉันก็ขึ้นบันไดไปอย่างองอาจในขณะเดียวกันชายแก่ก็ถอยหลังกรูดไปเหมือนกันพอถึงเชิงบันไดดิฉันก็หยุดและกล่าวว่า ทีนี้เรามาลองเจรจากันดีกว่าบางทีดิฉันจะช่วยคุณได้โอปปาติกะผู้เป็นชายแก่นั้นกล่าวขึ้นว่านี่เป็นบ้านของข้านะและเจ้าหมอนั่นผู้อยู่ข้างล่างนั้นมันขโมยไปจากข้าดิฉันถามว่าเขาขโมยมันได้อย่างไรอันที่จริงก็ไม่ใช่เจ้าหมอนั่นโดยตรงหรอกแต่พ่อของมันนั่นเองเป็นตัวการไอเจะแก่นั่นนะ่ะ มันโกงเอาสถานที่นี้ไปจากข่าและค่าต้องการเอาคืนให้ได้ดิฉันถามว่าคุณมีข้อพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไรเขาตอบว่าพิสูจน์ได้สิเอกสารยังอยู่ในห่อบนชั้นใต้ดินในที่ที่ไอ้เจ้าหัวขโมยแก่มันซ่อนเอาไว้แต่เดิมเอกสารทุกอย่างอยู่ที่นั่นและรับรองว่าเป็นเอกสารที่พิสูจน์ได้อย่างดีทีเดียวดิฉันจึงลงไปห้องใต้ดินพร้อมกับเจ้าของบ้าน ในที่นั้นมีหิ่งหิ่งหนึ่งอยู่สูงขึ้นไปบนกำแพงบนหิ่งนี้เราค้นหาดูปรากฏว่าพบหอ่อหอหนึ่งซึ่งมีฝุ่นหนาจับเปลือกกลางไปหมดเราเอาห่อนี้ลงมาจากหิ่งและปัดฝุ่นให้หมดเสร็จแล้วก็ขึ้นบันไดมาชั้นบนที่นั้นเราได้ตัดเชือกออกและหลังจากที่แก้ห่อออกดูแล้วก็ปรากฏว่าข้างในห้อมีเอกสารหลายชิ้นด้วยกันเหมือนดังที่โอปปาติกาชายแก่ได้บอกล่วงหน้าไว้ จากนั้นเราได้ตรวจพิสูจน์หลักฐานกันอยู่พักหนึ่งก็ปรากฏว่าโอปปปาติกาชายแก่ผู้นั้นพูดถูกคือเขาได้ถูกโกงจริงๆเมื่อทราบความจริงเช่นนั้นเจ้าของบ้านในปัจจุบันผู้เป็นบุตรชายของคนที่โกงโอปปปาติกะนั้นมาก็ยอมรับความจริงอย่างน่าชื่นตาบานโดยไม่ได้คัดค้านอะไรอีกต่อไปเขาได้โอนโฉนดที่ดินผืนนั้นให้แก่ทายาท ที่ยังมีชีวิตอยู่ของโอปปาติกะชายแก่นั้นทันทีหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันร้ายแรงอันเกิดจากโอปปาติกะชายแก่นั้นมารบกวนผู้คนในบ้านอีกเลยขอให้สังเกตว่าเรื่องผีผลักคนตกบันไดนี้แม้แต่ในเมืองไทยก็มีกล่าวถึงเสมอฉะนั้นคนส่วนมากจึงไม่สงสัยว่าจะเป็นไปไม่ได้ แต่ที่น่าสงสัยที่ว่าทำไมผีซึ่งเป็นโอปปาติกะจึงสามารถผลักคนให้ตกบันดไดได้อันที่จริงถ้าหากเรื่องเช่นนี้เป็นไปได้ทุกครั้งซึ่งหมายถึงว่าถ้าผีเกิดไม่ชอบใจใครขึ้นมาก็สามารถที่จะผลักให้ตกบันไดหรือทำอย่างไรก็ได้คนก็จะหมดความสงสัยในเรื่องผีแต่เพราะเหตุที่เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ในจำนวนหลายล้านคนจึงจะมีสักคนหนึ่งที่ประสบกับเหตุการณ์ในทำนองนี้เพราะฉะนั้นปัญหาจึงมีว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือเรื่องนี้ข้าพระเจ้าได้เรียนถามท่านแล้วและท่านก็ได้ตอบชี้แจงมาว่าโดยปกติแล้วพวกโอปปาติกะจะไม่สามารถทำอะไรแก่มนุษย์ได้เลยไม่ว่าจะใช้มือผลักหรือจะใช้เท้าเตะหรือถีบ หรือจะทำอย่างไรก็ไม่มีผลเพราะมนุษย์โดยทั่วไปตัวไม่เป็นสื่อจึงไม่สามารถที่จะรับพลังที่มาจากอีกฝ่ายหนึ่งได้แต่สำหรับในกรณีที่เป็นไปได้นั้นเป็นเพราะมีหลักอยู่ว่าโอปปาติกะบางคนมีอำนาจจิตแรงและสามารถที่จะใช้พลังที่มีอยู่ในตัวออกมาในรูปเหมือนกับคนได้สำหรับในกรณีอย่างนี้ย่อมจะมีผลมาถึงคน แต่ถึงกระ น, นั้นคนที่ได้รับก็ต้องมีตัวเป็นสื่ออยู่บ้างไม่เช่นนั้นก็จะไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีโอปปปาติกาบางคนแม้จะมีอำนาจจิตสูงแต่ถ้าไม่เข้าใจใช้พลังในอันที่จะขอให้เกิดผลต่อมนุษย์ก็ไม่อาจที่จะทำอะไรแก่มนุษย์ได้เหมือนกันหลักสำคัญอยู่ที่ต้องรู้จักเอาพลังมาใช้ให้เกิดผลซึ่งในเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ยากมากความสามารถอันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะพิเศษของแต่ละบุคคลที่มีมาตั้งแต่กำเนิดซึ่งคนที่มีบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีขึ้นมาได้อย่างไรรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ย้อนกลับไปอ่านตอนที่ว่าด้วยตัวลอยขึ้นจากเตียง